เพียงสั้นๆแค่นี้เซึ่งเมื่อสรุปลงแล้วที่เทวดาถามพระพุทธองค์ว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยรักทั้งข้างในรักทั้งข้างนอกคือชัดทั้งในชัดทั้ ง, งนอกเนี่ยใครหนอจสามมาสะสามารถสระสาความรักชัดในโลกนี้ได้ mm hmm. เหมือนกับตำนวนที่เราพูดกันในปัจจุบันนี่ว่าแม้สังคมเนมสกปรกระกระเินคําว่าสกระโรกระนี่ก็คือรกรุงรังและเกินมาเละเทอะจริงๆ ใครนาสามารถพิาสารณาสังคมที่สกปรกเหล่านี้ให้สะอาดขึ้นมาได้โดยความเข้าใจทั่วไปก็อย่างนี้เพราะ่วในสมัยนั้นท่านพูดครุมไปทั้งหมดว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยรกทั้งภายในรกทั้งข้างนอกอะไรที่รกที่เป็นตัวชะตาสับนี้คำว่าชะตาสับนี้อัศกถาท่านแก้วหมายถึงปัญหาปัญหาไนเป็นเครื่องรกชัด ที่ว่ารกชัดเนี่ยท่านอุปมาว่าเป็นประดุษดังหนามไผ่ที่เกาะเกี่ยวรึงรัดหรันพัต์ทั้งหลายเนี่ยให้จมอยู่ในความทุกข์ซึ่งที่ว่าชัดทั้งข้างในมีควาหมายถึงว่าปัญหาจุดความอยากที่เกิดขึ้นในจิตของตนเองที่รกชัดทั้งข้างนอกก็หมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายนอกเช่นจากวัสดุจากคนอื่นเกิดทั้งตนเองบ้างคนอื่นบ้างปลาโรคตนบ้างปลาโรคคนอื่นบ้างจึงเรียกว่ารกทั้งข้างในรกทั้งข้างนอก รุงรังไปหมดใครสามารถที่จะสังสางความรกชัดเหล่านี้ได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าความรบชัดเหล่านี้พึงสังสร้างได้ต้องอาศัยนรชนผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วอยู่ในศิงนี่เป็นเบื้องต้นนรชนหรือนระนระผู้ใดมีปัญญาตั้งมั่นแล้วในสิงยังจิตและปัญญาให้เจริญอยู่ เป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนรชนผู้นั้นแหละจึงจะสามารถสัสสรความรบชัดเหล่านี้ได้ในใจความของพุทธวจนะบทนี้เราก็พอจะจับใจความได้ว่าการที่จะสัสางความรบชัดที่เกิดขึ้นทั้งภายในภายนอกได้นั้นประการต้นที่สุดจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีล ผู้ที่จะตั้งมั่นอยู่ในศินนั้นก็คือผู้ที่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศินแล้วก็ยังจะต้องยังจิตและปัญญาเนี่ยให้เจริญอยู่คําว่าจิตและปัญญาให้เจริญอยู่ในที่นี้ท่านหมายถึงตัวสมาธิและมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนั่นคือปัญญาในขั้นวิปัสนาปัญญาอันเป็นขั้นสุดท้ายถ้าผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาทั้งสามประการนี้แล้ว นั่นแหละจึงจะสามารถสัก า, าความลบชัดเหล่านี้ได้นี่เป็นใจความแห่งคาถาบทนี้ซึ่งสมัยนั้นพ ร, ระเถระคือท่านาท่านสังฆปาละซึ่งเป็นธิบดีสงแห่งสำนักมหาวิหารในสมัยนั้นเป็นผู้ตั้งปัญหานี้ขึ้นแล้วก็ให้ท่านพุทธโคษาเนี่ยเป็นผู้แต่งเท่ากับว่า คาถาบทนี้เป็นที่รวมพุท ธ, ธวจนะในพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกโดยย่อไว้เป็นศีลสมาธิปัญญาท่านเขียนคำภีนี้ขึ้นก็เท่ากับว่าย่อพระไตรปิฎกแปด0มืสี่พันระธรรมขันธ์เนี่ยลงสู่พระคำภีนี้ซึ่งเป็นการลองภูมิท่านปรากฏว่าครั้งแรกท่านเขียนจบแล้วคำภีเนี่ยหายที่หายเนี่ย ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่าเทวดามาลักไปซ่อนท่านเขียนอีกเป็นครั้งที่สองอุซาเขียนเป็นครั้งที่2เพราะเขียนจบหายอีกอ้าวเขียนอีกเป็นครั้งที่สามเพราะเขียนฉบับที่สามจบลงคมที่ฉบับที่หนึ่งที่ท่านเขียนไว้ฉบับที่สองที่ท่านเขียนไวนะ้น่ะกลับมาสู่มือของท่านตามเดิมเทวดาเอามาคืน เสร็จแล้วพระสงฆ์ในลังกาทวีปก็เอามาตรวจทานกันดูสามฉบับที่ตนเขียนขึ้นสามครั้เนี่ยจะเหมือนกันไหมปรากฏว่าเหมือนกันหมดทุก อ, อักขรไม่มีเปลี่ยนแปลงตั้งฉบับที่หนึ่งเขียนอย่างไรฉบับที่สองก็เขียนอย่างนั้นฉบับที่สามก็เขียนอย่างนั้นทั่วลังกาทวีปจึงยกย่องว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นปรัชญ่เขียนคำภีวิสุทธิมารคนี้ขึ้นเนี่ยเป็นปราชญา ตม้งแเราได้ศึกษาคำภีร์นี้แล้วเราก็จะเห็นปัญญาของท่า พ, พุทธโฆษาจารย์ว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าคำภีรวิสุทธิมาร์กนี้เป็นคำภี์ที่ดึกซึ้งมากและเป็นคำภีร์ที่ได้อธิบายธรรมะนี้ไว้อรรถ อ, อร่อยกว่าคำภีร์อื่นๆคือน่าศึกษาจริงๆทั้งในด้านอักษรศาสตร์ในด้านปรวัติศาสตร์และในด้านสภาวะประมต ธ, ธรรม ท่านแทรกว่าในนี้หมดสมกับที่ท่านเนี่ยได้รับการยกย่องจากภิกษุชาวลังกาทวีปว่าเป็นประดุลแมลงคู่ที่บินข้ามน้ําข้ามทะเลมาคืนข้าวเกศรถึงเกาะลังกาพวกพระสงฆ์ในเกาะลังกาเสียอีกเสมือนหนึ่งเป็นกบที่เฝ้ากอบัวงหาได้รู้ไหมว่าเกศร อ, อ, อันอริสอร่อยในเกาะลังกาเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าเจ้าพรมรหนุ่มตัวเนี้ได้มาคลืคนข้าวเอาเกศรไปหมดแล้ว คือมาเอารถแห่งธรรมะในลังกาทวีปเนี่ยข้าไปชมอุทวีปหมดท่านแปลหมดเล ย, ยได้รับการยกย่องจากพระสงฆ์ในลังกาทวีปมากทีเดียวคัมภีวิสุทธิมัชนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อทารจนาเสร็จแล้วท่านชื่อคมภีนี้ว่าวิสุทธิมัชคำว่าวิสุทธิมัชนี่โดยความหมายของศัพวิสุทธินี่แปลว่าความบริสุทธิ์อย่างยิ่งหรือความหมดจด แห่งธรรมะมักคะในที่นี้ท่านหมายถึงผลทางหรืออุบายเพราะฉะนั้นเมื่อวิสุทธิมัคทั้งสองศัพท์นี้มาสมที่กันแล้วจึงแปลได้ใจความว่าอุบายหรือทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดในเบื้องต้นแห่งปนามัคาถาของคำถีนี้ท่านพุทธโฆษะท่านได้อธิษฐานจิตท่านได้แสดงความคารวะต่อพระรัตนตรยัย และแสดงความคาระวะต่อพระเถระที่เป็นบุรพา j a r ของท่านถ้าเดชพระอรบขึ้นอยู่ประโยคหนึ่งว่าถ้าหากว่าคุณระบุตรใดปราถนาความบริสุทธิ์หมดจดแล้วพึงสดับย์ประการบริสุทธิมัชนี้ด้วยความรรเคารพเถิดหรือปฏิบัติตามประการวริสุทธิมัชนี้ด้วยความรรเคารพเถิดจักบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์เหล่านั้นได้เพรดฉะนั้นคำทีเนี่ยจึงชื่อว่าวิสุทธิมัช ชื่อก็เพราะประวัติทางแห่งความบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ต้องเดินทางนี้เดินตามทางนี้จึงจะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ซึ่งความจริงแล้วเรื่องของความบริสุทธิ์หรือวิสุท ธ, ธิสัพนี้ท่านหมายถึงสนิพพานคําว่านิพพานเนี่ยคือวิสุท ธ, ธิเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า น, นิพพานนั้นเป็นเป็นวิสุท ธ, ธิก็เพราะว่า น, นิพพานนั้นเป็นเครื่องหมดจด เป็นเครื่องชำระสางปัดทั้งหลายเนี่ยให้หมดจดนิทานนั้นเป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งของสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นนิทานจึงเป็นวิสุทธิมัคคะคือทางหรืออุบายที่จะให้บรรลุถึงซึ่งนิทานคือความบริสุทธิ์นี้เองถ้าเราจะพูดสั้นๆว่าเนี่ยทางไปทางนิทานก็ได้หรือทางแห่งความบริสุทธิ์ก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่ว่าในมรดภาษาน้นใช้คําว่าวิสุทธิมัค มัคคะศัพทนี้แปลว่าทางหรืออุบายวิสุธทธินั้นแปลว่าความบริสุทธิ์อย่างยิ่งซึ่งหมายถึงตรรนิพพานเพราะฉะนั้นสาธุชนที่ปรารถนาความบริสุทธิ์เมื่อเราปรารถนาความบริสุทธิ์แล้วทําอย่างไรจึงจะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์นี้ได้เราก็ต้องศึกษาในคำภีรพระวิสุธทธิมัคนี้เราจึงจะสามารถบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์เหล่านั้นวิสุธทธิมัค ซึ่งเป็นพระคำภีนี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านพุทธโคสาจารย์นั้นท่านจะจำกัดลงไปว่าความบริสุทธิ์จะมีแต่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นหรืออุบายที่จะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์นั้นจะมีทางนี้ทางเดียวก็หาไม่ท่านได้เขียนเอาไว้ว่าเรื่องของความบริสุทธิ์หรือทางแห่งความบริสุทธิ์นั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้หลายในยัด้วยกันท่านเขียนเริ่มต้นก่อนที่จะ แต่ประกรนี้ทีเดียวว่าความบริสุทธิ์นั้นพระพุทธองค์ได้แสดงโดยหลายในยักษ์บางครั้งก็แสดงโดยอํานาจแห่งวิปัสนาที่แสดงโดยอํานาจแห่งวิปัสนานั้นในบาลีแห่งพระสูตรมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัพเทสังขาราอนิจจาติยัาปัญญายัตาสติอัฐนิพินธติทุเขเเอสัมมัคโววิสุขียา ซึ่งแปลว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นบุคคลนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสโดยอำนาจแห่งวิบัลปนาว่าเมื่อใดอผู้ใดเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นี่เป็นคาถาหนึ่งคาถาที่สองสัพเทสังขาราทุกขาติยะชาปัญญายปะปสติอาาัฐฤทธินติทุกเขเอสะมัคควิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุก นี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คาถาที่สามมีว่าสัพเพสังขาราอนัตตาติยะชาปัญญายะปสติอัฐานิพพิตรติทุเขเอสัมมัคโควิสุทติยาแปลว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกขนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์พุทธพจน์บทเนี้ตรัสด้วยอํานาจแห่งวิปัสนาเพราะคําว่าวิปัสนานั้นหมายถึงปัญญาที่ไปเห็นนามรูปนี้ว่าไม่เที่ยงเห็นนามรูปหรือสังขารว่าเป็นทุกเห็นนามรูปหรือสังขารว่าเป็นอนัตตาครั้นเมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าสังขาร น, นี้ไม่เที่ยงเป็นทุก์และเป็นอนัตตาแล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัด เมื่อจิตคลายกำหนัดแล้วก็ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมจะหลุดพ้นนี่แหละเป็นทางแห่งวิสุธทธิอันหนึง่งซึ่งตรัสโดยนัยแห่งวิปัสนาเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาว่าอุบายหรือทางที่จะบรรลุ ถ, ถึงซึ่งความบริสุทธินั้นจะมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นหรือยังมีทางอื่นอีกทางนั้นก็คือทางวิปัสนาก็คือเราจะต้องมีปัญญาเห็นว่า นามรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานั่นแหละจึงจะสามารถบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ส่วนนี้ได้อีกนัยยะหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องความบริสุทธิ์นี้ด้วยอํานาจแห่งฌานเช่นที่ตรัสว่าฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาและผู้ที่ปัญญา ก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไร้าชานนะฟังให้ดีๆนะชานย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไร้าชานผู้ใดมีทั้งปัญญาทั้งชานผู้นั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้นี่ตัดถึงความบริสุทธิ์ด้วยอาํานาจแห่งชาน นี่เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ตรัสให้เห็นว่าอุบายที่จะบรรลุถึงซึ่งบิสุท ธ, ธิคือพระนิพพานนั้นก็มีอยู่เป็นนัยยะที่สองด้วยอํานาจแห่งฌานอา่าอครั้งที่สามคือนัยยะที่สามได้ตรัสด้วยอํานาจแห่งกรรมว่าความบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่ว่าจะมีโดยนัยยะสองนัยยะเท่านั้นก็หาไม่แม้โดยกรรมปัตว์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ ที่ตัดถึงวิสุทธิ์ที่ด้วยอำนาจแห่งกรรมนั้นเช่นที่ปรารแกาพระสงฆ์ว่ากรรมวิชาและธรรมะและศรระีลและอุดมชีวิตด้วยคุณวิเศษห้าอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตด้วยทรัพย์หม้หมายความว่า ตามมายาที่สามนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความประเสริฐหรือความบริสุทธิ์ของสัตว์ว่าสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วยโคดวงตระกูลไม่ใช่ว่าคนนี้เกิดในตระกูลสูงมีสกุลดีและจะชื่อว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หรือไม่ใช่ว่าผูนี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากเป็นเศรษฐีแล้วจะชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็หาไม่แต่ผู้ใดประกอบด้วยกรรมวิชา และธรรมะศีลอุดมชีวิตทั้งห้าอย่างเนี้ยผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรมอันเป็นคุณวิเศษทั้งห้าประการนี้อันนี้เป็นการตรัสถึงเรื่องความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายว่าย่อมเป็นไปด้วยอํานาจแห่งกรรมว่ากรรมนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องชําระสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ได้ ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคดวงตระกูลด้วยทรัพย์สินเงินทองใดๆทั้งสิน้นในยะที่สี่ได้ตรัสถึงความบริสุทธิ์ด้วยอํานาจแห่งศีลว่าศีล น, นี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งจะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้เช่นที่ตรัสว่าผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลในการทุกเมื่อเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้มั่นคงและเป็นผู้ที่มีความเพียรประกอบ ในธรรมและตั้งตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติผู้นั้นย่อมข้ามพ้นโอคะคือห่วงกิเลสต่างๆอันข้ามได้ยากแสนยากนี้ได้ีนแสดงให้เห็นว่าอุบายที่จะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานหรือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสในยะนี้ท่านตรัสด้วยอำนาจแห่งศีลเพราะฉะนั้นท่านพุทธโคสาจารย์ก่อนที่ท่านจะรจนาคาสีนี้ ท่านจึงประมวลพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ได้ชี้ทางแห่งความบริสุทธิ์เหล่านี้ได้มาอถาธิบายไว้และในยะสุดท้ายพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงความบริสุทธิ์นี้ด้วยสามารถแห่งปัจฐานเช่นที่ตรัสว่าดูก่อนที่สุขทั้งหลายทางนี้ทางสายนี้ไปได้คนเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อทําให้แกล้งซึ่งพระนิพพาน ทางอันนี้ก็คือสติปัฏฐานสหมายความว่าสติปัฏฐานสีนี้ก็เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์จัดว่าเป็นเอกายนะมัตในทางหนึ่งเป็นทางสายเดียวเหมือนกันที่จะนํนาสรนทัตว์นี้ไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดก็คือเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่เพราะว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นทางหนึ่งที่จะให้บรรลุถึงซึ่งนิพพานได้ในยะต่างๆที่ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านไบประมวลมาเช่นนี้ ก็เพื่อจะชี้ให้เราได้เห็นว่าทางแห่งความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนานั้นที่พระพุทธองค์ได้วางไว้มีอยู่หลายทางทางแรกที่สุดนั้นก็คือทางวิปัสสนาให้เรามีปัญญาพิจารณาสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาให้เห็นสังขารเช่นนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆเมื่อนั้นแหละเราทั้งหลายจึงจะเบื่อหน่ายในทุกข์ได้ถ้าหากว่าไม่เห็น ไม่เห็นรูปนามโดยสามมญลักษณะเช่นนี้แล้วแม้เราจะเป็นทุกข์ก็ไม่เคยเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะปัจจุบันเนี่ยที่เราไปนิพพานกันไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุว่าเรายังไม่หน่ายในทุกข์ยังไม่เบื่อทุกข์ไม้ว่าจะเป็นทุกข์เราก็ยังชอบอยู่ยังไม่เบื่อหน่ายเพราะเหตุที่เรายังพอใจในความทุกข์นี้อยู่หรือเพราะเหตุที่เรายังยังไม่สามารถที่จะเบื่อหน่ายในทุกข์เหล่านี้ได้ เราก็ถึงนิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะศึกษาได้ว่าแม้เราจะเป็นทุกข์หรือว่าตะสงสารเนี่ยจะเป็นทุกข์มากสเพียงใดก็าตามแต่สรรพสัตว์ที่เบื่อหน่ายในวาตาสงสารนั้นมีน้อยเหลือเกินถามโยมโ ย, ยมก็ยังตอบว่ายังอยากเกิดอีกสักครั้งสองครั้งบางคนก็ยังบอกอยากจะเกิดเป็นเทวดาบ้างบางทีก็อยากจะกลับมาโลกมนุษย์นี้อีกเพราะว่าสมบัติแย่ บางทีเกิดใหม่จะได้มาพบสมบัติเหล่านี้บ้างอะไรบ้างเนี่ยที่มีข้อห่วงใ ย, ยผูกพันต่างๆบอกอยากจะเกิดอีกทั้งๆ ท, ที่เป็นทุกข์ก็ยังไม่เบื่อยังชอบอยู่อันนี้เป็นเป็นเรื่องของของโมหะธรรมเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาก็ย่อมจะต้องมีความชอบแม้แต่ทุกข์ไปยังชอบถึงทุกข์ก็ดีก็ยังสนุกดีเราก็ยังพอใจที่จะเป็นทุกข์ต่อไปเพราะฉะนั้น เรื่องของนิพพานนั้นจึงเป็นเรื่องที่หา่หางไกลห่างไกลสําหรับบุคคลที่ยังไม่เบื่อหน่ายในวัฏสงสารถ้าระเบื่อหน่ายมากๆแล้วก็นั่นแหละเราจึงจะปฏิบัติตนไปสู่พระนิพพานได้ฉะนั้นโดยนัยยะแห่งวิปัสสนานี้เป็นนัยยะหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความบริสุทธิ์หมดจดนี่ยจะเกิดขึ้นแก่เราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็น สังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยนัยยะเช่นนี้เราจรึงจะสามารถบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดส่วนนัยยะแห่งฌานนั้นหมายถึงผู้ที่บำเพ็ญฌานในส่วนของสัมมาสมาธิเพราะว่าเมื่อทาฌานอันเป็นส่วนสมถะได้แล้วฌานนี้แหละที่จะเป็นบาทให้เกิดปัญญาต่อไปเพราะบุคคลที่ได้ฌานฌ า, านเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ไม่มีปัญญานั้นไม่ได้ ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละจึงจะได้ฌานปัญญาในที่นี้หมายถึงโลกิยะปัญญาที่เป็นญาณะสัมปยุตเพราะเมื่อโลกิยะปัญญาอันนี้เกิดขึ้นเราก็สามารถปฏิบัติสมถะทำฌานอภิญญาให้เกิดได้และผู้ที่ได้ฌานอภิญญานนี้เท่านั้นแหละจึงจะเป็นบาตรให้เกิดปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงไม่มีแก่ผู้ที่ไร้ฌาน ก็ราะว่าสมาธิต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาทั้งสองอย่างนี้จึงแยกออกจากกันไม่ได้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอแต่ผู้ใดมีพร้อมทั้งสมาธิทั้งปัญญาคือมีทั้งฌานทั้งปัญญาผู้นั้นแหละเราจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระนิพพานโดยแท้ถ้ายังไม่ถึงพร้อมด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วก็ยังไม่จัดว่าเป็นผู้ใกล้ต่อพระ น, นิพพาน นี่เป็นนัยยะที่สองซึ่งมีความหมายอย่างนี้ส่วนนัยยะที่สามเรื่องของตามนั้นท่านหมายถึงกุศลกรรมธรรมะตัวนี้หมายถึงความดีหมายถึงการกระทาดีเช่นที่ตรัสว่าคนจะบริสุทธิ์ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตโคดในที่นี้ก็คือวงตระกูลไม่ใช่ว่าเออเกิดในสกุลสูงใน ส, นนนในน ส, สนกุลดีแล้วจะเป็นคนดีทั้งหมดไม่ใช่หรือคนนี้มีทรัพย์สินกันทองมากแล้วจะเป็นคนดีทั้งหมดก็ไม่ใช่ ความบริสุทธิ์หมดจดหรือความเป็นคนดีนะ่ะมีด้วยกรรมกรร ม, มะศัพท์นี้ท่านหมายถึงการกระทำว่าการกระทำทางกายวาจาใจนี่แหละที่เป็นเครื่องส่อว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือความเป็นผู้ดีความเป็นใครนั้นนะ่ะอยู่ที่กรรมคือการกระทำไม่ใช่อยู่ที่โคตรไม่ใช่อยู่ที่สุุลวงไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์สมบัติแต่อยู่ที่การกระทาซึ่งเราก็มีทางที่จะกระทาได้สามทาง คือทางกายทางวาจาและก็ทางใจกรรมสัพ์นี้ท่านหมายถึงกุศลกรรมคนที่ทำกุศลกรรมคือทำกรรมดีเนี่ยประการหนึ่งประการที่สองก็คือวิ ช, ชาวิ ช, ชาในที่นี้หมายถึงความรู้นอกจากมีกา ร, กรทาดีแล้วต้องมีความรู้ดีด้วยมีวิ ช, ชาเนี่ยหมายถึงมีความรู้นะไม่ใช่หมายถึงความรู้ขั้นธรรมดาทั่วๆไปเช่นอย่างวิ ช, ชาที่เราศึกษากันอยู่ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ถ้าหมายถึงวิชาที่เป็นปัญญาอันเกิดขึ้นจากการอบรมว่าคนนี้จะต้องมีปัญญาลึกซึ้งเป็นประการที่สองประการที่สามจะต้องมีธรรมะมีธรรมะในใจประการที่สี่จะต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมะและต้องมีศีลด้วยและมีชีวิตอุดมที่เรียกว่าชีวิตที่เรียกว่าอุดมมาชีวิตเนี่ยชีวิตที่อุดมหรืออุดมมชีวิตนี่ หมายถึงชีวิตชนิดไหนที่เราเรียกกันว่าอุดมมาชีวิตท่านกล่าวว่าเพศของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สองเพศคืออุดมมาเพศกับฮีนาเพศอุดมมาเพศเนี่ยแปลว่าเพศที่ประเสริฐเพศที่สูงสุดทีนาเพศนั้นหมายถึงเพศที่ตำ่ำเป็นเพศที่ไม่ประเสริฐท่านแยกออกไปว่าระหว่างความเป็นครื้นขัด ก, กับความเป็นบรรพชิตความเป็นบรรพชิตนั้นจัดว่าเป็นอุดมมาเพศ ความเป็นเครือขันนั้นเป็นทีนาเพศเพราะฉะนั้นคําว่าอุดมชีวิตในที่นี้ท่านไม่ได้หมายถึงเพศไม่ถึงหมายถึงการบวชว่าการเป็นบรณชิตหรือเครือขันอุดมชีวิตในที่นี้จึงหมายถึงชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่แล้วในศีลเช่นผู้ที่มีศีลก็จัดว่าเป็นอุดมชีวิตได้แม้ครือขันก็เป็นอุดมชีวิตได้เช่นอย่างเราเป็นครือขันเนี่ยเราเป็นคนมีศีลมีธรรมชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่อุดมแต่ผู้ใดที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมะในใจ ชีวิตของผู้นั้นก็ไม่จัดว่าเป็นชีวิตที่อุดมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็พอที่จะจําแนกได้ว่าความเป็นผู้มีชีวิตอุดมหรืออุดมมาชีวิตนั้นคือความเป็นผู้มีศีลเรามีศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดอะไรก็ตามก็ชื่อว่าได้ทําชีวิตนี้ให้อุดมขึ้นแล้วแต่ถ้าเราไม่มีศีลเป็นเครื่องรักษาเลยศีล ส, สักองใดองหนึ่งก็ไม่มีธรรมะก็ไม่มีชีวิตเช่นนั้นก็เป็นชีวิตที่ไม่อุดม นี่โดยความหมายของพุทธวจนะบทนี้ส่วนในยะที่ว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลนั้นไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งความบริสุทธิ์หมดจด <c oughs> ฉะนั้นผู้ใดที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วผู้นั้นย่อมหมดจดได้ในยะสุดท้าย ท, าท่านกล่าวถึงเรื่องสติปัฏฐาน4ี ท่านพุทธโคสาจารย์ได้หยิบยกถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่มาว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายจะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่หรือว่าเราที่เป็นพุทธบริษัทนี้จะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันในวงการนักปฏิบัติว่าสติปัฏฐานสี่คือการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ แต่ว่าเป็นการปฏิบัติโดยในยตสติปัฏฐานโดยเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อสรุปสติปัฏฐานสี่นี้แล้วก็อยู่ในสมถะและวิปัสนาเพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยคลุมไปหมดทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทั้งสองอย่างแปลว่าเราจะเลือกเจริญในอ ง, ในในองค์ใดองค์หนึ่งคือจะเอาสติไปตั้งในฐานใดฐานหนึ่งก็ได้ ตั้งในกายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมะก็ได้ในสฐานเนี่ยเมื่อตั้งจิตไม่ได้ฐานใดฐานหนึ่งแล้วก็ศึกษาพิจารณาในฐานนั้นๆให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นก็สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะอถาธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิสุทธิมัชยนี้ท่านได้หยิบยกถึงเรื่องความบริสุทธิ์โดยนัยยะต่างๆทางพระพุทธศาสนานี้มาอถาธิบายไว้ในเบื้องต้นแห่งพระคัมภี์ เพื่อที่ให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนั้นย่อมมีอยู่โดยหลายนัยยะที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้นัยยะที่ท่านจะอถาธิบายนี้เป็นนัยยะหนึ่งเพราะฉะนั้นนัยยะนี้ท่านจึงให้ชื่อว่าวิสุทธิมัตเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์อีกทางหนึ่งด้วยในคัมภีร์วิสุทธิมัตนี้ท่านได้เขียนเป็นบทใหญ่ๆไว้สามตอนเดียกัน ในทางคำภีใช้คำว่านิเทศมีอยู่สามนิเทศนิเทศแรกที่สุดที่เราจะต้องศึกษาคือสีละนิเทศนิเทศที่สองคือสมาธินิเทศนิเทศสุดท้ายซึ่งเป็นนิเทศที่สามคือปัญญานิเทศในศีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนี้เป็นการย่อพระไตรปิฎกลงไวในสามนิเทศนี้ทั้งหมด สี่นิเทศนั้นได้ย่อพระวินัยในพระพุทธศาสนาไว้สมาธินิเทศนั้นได้ย่อพระสูตรไว้ปัญญานิเทศนั้นได้ย่อพระอภิธรรมไว้มีอยู่ในสามนิเทศนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฟังวิสุทธิมรรคนี้จบลงก็เหมือนกับฟังพระไตรปิฎกจบเหมือนกันแต่ว่าเป็นการจบพระไตรปิฎกฉบับยอ่อเรียกว่าเรียนรับเรียนนับพระไตรปิฎกโดยศึกษาคำทีวิสุทธิมรรคนี้ก็ดีเหมือนกัน และก็เราจะได้ศึกษาถึงถึงหลักการต่างๆที่ท่านพุทธโคสาจารย์ท่านได้วางไว้เพราะท่านผู้นี้เรายกย่องกันทั่วโลกว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่านผู้นี้ท่านพุทธโคศาจารย์ตั้งแต่บัตรนั้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้ยังไม่มีนักปราชญ์ในพุทธศาสนารูปใดรูปหนึ่งมีปัญญาเทียบเท่าท่านพุทธโคสาจารย์ หรือมีคุณธรรมเทียบเท่ากับพุทธโฆษ า, าท่านผู้นี้ในหลักฐานปรากฏว่าได้อภิญญา 6, แต่ไม่ได้บอกว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าพระลังกามีความเข้าใจว่าท่านผู้นี้คือเมตไยโพธิสัตว์นั่นเองหมายว่าเข้าใจว่าท่านพุทธโฆษ า, าเนี่ยก็คือเมตไยโพธิสัตว์คือพระศีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ ต่อจากพุทธศาสนาองค์นี้ทปรียเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านสีอัรยเมตรัยเนี่ยเกิดมาเพื่อพยุงฐานะทางศาสนาไว้ฉะนั้นจึงยกย่องท่านพุทธโคสาวะเป็นโพธิสัตว์เป็นเมตไยโพธิสัตว์จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราเลื่อมใสท่านผู้นี้ว่าเป็นปราสตทางศาสนาและเราเป็นหนี้บุญคุณแก่ท่านมากมายอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาคำพีเนี่ยจึงเท่ากับว่าได้ฟื้นฟูหลักธรรมส่วนนี้ของท่านให้แพร่หลายด้วย น ต, ตมาเองเคารพนักปราชญ์ท่านผู้นี้มากเพราะว่าที่เกิดความเลื่อมใสในศาสนาก็เพราะศึกษาคัมภีร์นี้ก่อนจึงได้ตัดสินใจว่าเราต้องบวชละเพราะได้อ่านคัมภีร์นี้เพราะว่าเกิดความเลื่อมใสว่าคําสอนในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เป็นคําสอนที่ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มีอัทธรสทางธรรมะเนี่ยเป็นธรรมารถที่เลิศมากที่ท่านรจนุจนาคัมภีร์นี้ไว้ และเชื่อว่าผู้ที่จะแปกฉานในศาสนาจะในยุคปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามถ้าไม่ศึกษาคำพีวิสุทธิมรรคนี้แล้วเราจะไม่เรียกผู้นั้นว่าเป็นปรากในศาสนาหรือผู้นั้นจะเป็นปรากในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่แตกฉานในวิสุทธิมรรคเพราะคำพีนี้ละเอียดลึกซึ้งเหลือเกินแต่ท่านได้ย่อพระตไตรปิฎกลงไว้อย่างสละสลวย ซึ่งเราศึกษาแล้วเราจะเห็นว่าท่านพุทธโครสราาจารย์นี่เป็นเป็นนักปราชญ์ทางศาสนาจริงๆซึ่งหาพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยเทียบเท่าไม่ได้พันกว่าปีมาแล้วยังไม่มีใครที่จะสร้างผลงานในพุทธศาสนามากเท่าท่านผู้นี้เพราะคำทีที่เราเรียนในปัจจุบันนี้ทั้งหมดน่ะท่านผู้นี้ยเป็นผู้แปลมาจากภาษาสิงหผลสูงมรดกภาษามีฉะนั้นแล้วพุทธศาสนาคงมืดมน ปัจจุบันนี้ที่ไม่มืดมนเพราะท่านรูปนี้ซึ่งมีบทบาทสาคัญรูปหนึ่งในช่วงพุทธกาลเมื่อพุทธศาสนาล่วงแล้วเก้าศตวรรษย่างขึ้นศตวรรษที่สิจึงทำให้เถราวาดของเราเนี่ยดำรงความบริสุทธิ์มาได้จนปัจจุบันวันนี้สมาได้กล่าวถึงเบื้องต้นแห่งพระคำพีนี้